อนาปติวานพิจุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,129 1พิกษณุีบวชให้กุมารีอายุครบ20ปีผู้ศึกษาธรรมหวข้อตลอด2ปี2ภพิกุณีวิกลจริต3ภพิกุณีต้นบรรยัต